ข้าพเจ้ากล้าท้าพนันว่าข้าพเจ้ารู้ดีถึงความคิดในขณะนี้ของท่านท่านคงจะรำพึงในทรรนองนี้จดหมายซึ่งมาดานผลมหัศจัณ์น่าขันมีกลิ่นไอคล้ายกับโฆษณาขายยาสำเร็จรูปถ้าท่านกำลังคิดเช่นนี้ข้าพเจ้าจะไม่โทษท่านหรอกเพราะข้าพเจ้าก็คงจะคิดอย่างเดียวกันถ้าข้าพเจ้าหยิบหนังสือที่มีข้อความเช่นนี้ขึ้นอ่านเมื่อสี่ห้าปีมาแล้วท่านสงสัยกระมังว่าทำไมดีแล้ว ข้าพเจ้าชอบคนที่สงสัยเก่งข้าพเจ้าใช้ชีวิต20ปีแรกของข้าพเจ้าในรัฐมิสซูรีและข้าพเจ้าชอบคนที่มีนิสัยสงสัย108ที่นั่นเกือบจะกล่าวได้ว่าความก้าวหน้าแห่งความคิดของมวลมนุษย์มาจากผู้เกิดความสงสัยผู้ซักถามผู้คัดค้านและหมู่ชนผู้ต้องการหลักฐานประกอบเหตุผลขอให้เราพูดกันอย่างสุจริตใจหัวชื่อบทว่าจดหมายซึ่งบรรดาลผลมหัศจรรย์ ถูกต้องแน่แท้แล้วหรือเปล่าเลยขอบอกท่านอย่างเปิดอกมันยังไม่ถูกที่จริงมันเป็นหัวชื่อบทที่เจตนาบอกกล่าวน้อยไปก่อความเป็นจริงเสียด้วยซ้ำค่าที่จดหมายบางฉบับซึ่งนำมาลงไว้ในบทนี้ได้บรรดาลผลอันล้ำเลิศในอัตราซึ่งยิ่งกว่ามหัศจัลถึงหนึ่งเท่าตัวใครเป็นคนคำนวนอัตรานี้หรือท่านเคนอาไดา ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะคนเดินตลาดที่เชี่ยวชาญคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเคยเป็นผู้จัดการแผนกส่งเสริมการจัดจำหน่ายของบริษัทยอนแมนวิลและปัจจุบันเป็นผู้จัดการโฆษณาของบริษัทคอเกตปมออลีฟพิษและเป็นประธานกรรมการแห่งสมาคมโฆษณาแห่งชาติมิสเตอร์ไดกล่าวว่าจดหมายที่เขาส่งออกไปเพื่อขอรายงานจากพวกพ่อค้ามักจะได้รับตอบเพียง 5-8 เปอร์เซ็น์เท่านั้น เขากล่าวว่าถ้าได้รับตอบขนาด 15% เขาจะถือว่าเป็นจำนวนมากที่สุดเป็นพิเศษและบอกข้าพเจ้าว่าถ้าได้รับคำตอบถึง 20% เขาจะถือว่าเป็นสิ่งมหาศัรริ์ท์ทีเดียวแต่แล้วจดหมายฉบับหนึ่งของมิสเตอร์ไดซึ่งพิมพ์ไว้ในบทนี้นำคำตอบมาให้ถึง 42.5% หรือกล่าวอีกในหนึ่งจำนวนตอบของจดหมายฉบับนี้บรรดาลผลยิ่งกว่ามหัศักรย์์ถึงหนึ่งเท่าตัว ท่านอย่าเพิ่งหัวเรอาอเยาะเพราะจดหมายฉบับนี้ไม่ได้ทําเล่นสนุกไม่ได้เป็นเรื่องฟลุ๊กและไม่ได้เป็นเหตุบังเอิญผลอย่างเดียวกันจะปรากฏขึ้นแก่จดหมายอื่นๆอีกหลายสิบฉบับเขาทําด้วยวิธีใดหรือท่า น, น, น, น, นต่อไปนี้เป็นคําอธิบายจากปากของเคนไดเองความสามารถของผมในการแต่งจดหมายให้ไพเราะจับใจสูงขึ้นอย่างน่าพิศวงเกิดขึ้นในทันทีหลังจากผมเข้าศึกษาหลักสูตร วิธีพูดเป็นที่จับใจและมนุษยสัมพันธ์ของมิสเตอร์คาร์เนกี้ผมได้พบความจริงว่าการติดต่อที่แล้วมาของผมทั้งหมดไม่เข้าท่าเลยผมพยายามใช้หลักการซึ่งสอนไว้ในหนังสือเล่มนี้และสามารถเพิ่มความไพเราะจับใจในการเขียนจดหมายขอรายงานสูงขึ้น 500-800 เปอร์เซ็นต่อไปนี้คือจดหมายฉบับหนึ่งซึ่งทำความพอใจแก่ผู้รับโดยผู้เขียนขอความช่วยเหลือเล็กน้อยจากเขา ความช่วยเหลือซึ่งทำให้ผู้รับเกิดความรู้สึกเป็นคนสำคัญข้าพเจ้าออกความเห็นของข้าพเจ้าต่อจดหมายฉบับนี้ไว้ในวงเล็บมิสเตอร์ยอนบรงเมืองแบรงวิลรัฐอินเดียนามิสเตอร์แบรงที่รักผมสงสัยว่าท่านสามารถจะช่วยผมให้พ้นจากความลำบากยุ่งยากอันเล็กน้อยบางอย่างได้หรือไม่วงเล็บเปิด เรามาทําความเข้าใจในรูปเรื่องให้กระจ่างกันเสียก่อนท่านจงนึกถึงว่าพ่อค้าไม้ในรัฐอาริโซนารับจดหมายจากเจ้าหน้าที่ชั้นหัวหน้าของบริษัทยอนแมนวิลและในบรรทัดแรกของจดหมายเจ้าหน้าที่ชั้นหัวหน้าผู้มีความสําคัญยิ่งคนหนึ่งของบริษัทในนครนิวยอร์กผู้นี้ได้ขอร้องแก่อีกฝ่ายหนึ่งให้ช่วยเขาพ้นจากความลําบากยุ่งยากเขาไปเจ้านึกวาดภาพว่าพ่อค้าไม้ในอาริโซนาคงจะรำพึงดังนี้ ืถ้าเจ้าหมอนี่ในนิวยอร์กพบความเดือดร้อนจริงเขาได้มาปรึกษากับคนที่เขาควรไว้เนื้อเชื่อใจแล้วสิฉันพยายามเป็นคนใจกว้างและช่วยเหลือผู้อื่นเสมอเออเขามีเรื่องเดือดร้อนอะไรนะบงเล็บปิดเมื่อปีที่แล้วผมได้รับความสำเร็จในการเสนอให้บริษัทระหนักความจริงว่าสิ่งที่พ่อค้าต้องการอย่างที่สุดเพื่อจะขายเครื่องหลังคาได้มากขึ้นก็คือควรเป็นภาระของบริษัทยอนแมนวิล ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการโฆษณาติดต่อทางเปรียญโดยตรงกับบุคคลต่างๆของพ่อค้าตลอดทั้งปีวงเล็บเปิดพ่อค้าในอาริโซนาคงจะพูดเป็นธรรมดาอยู่เองบริษัทจะต้องออกให้เพราะบริษัทเป็นผู้กอบกวยเอากำไรส่วนมากไว้บริษัทได้กำไรเป็นล้านล้านในเมื่อฉันแม้แต่จะชำระค่าเช่าก็ย่าแย่เออเจ้ามอนี่มีเรื่องเดือดร้อนอะไรกันนะวงเล็บปิด เมื่อเร็วๆนี้ผมได้ส่งคำถามบางประโยชน์แก่พ่อค้าของบริษัท 1,600 รายซึ่งพ่อค้าเหล่านี้ต่างใช้แผนผังโฆษณาของบริษัทและการที่ผมได้รับคำตอบนับเป็นจำนวนร้อยๆทำความยินดีให้ผมมากเนื่องจากแสดงให้เห็นว่าพ่อค้าต่างพอใจที่จะร่วมมือตามแบบนี้และพบความจริงด้วยว่าอานวยประโยชน์อย่างที่สุดจากกาลังใจอันนี้เองบริษัทจึงได้จัดทาแบบโฆษณา สำหรับติดต่อทางปริษัทโดยตรงกับบุคคลต่างๆขึ้นใหม่อีกแบบหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งผมหวังว่าท่านคงจะพอใจกว่าแบบเก่าแต่ครั้นเมื่อเช้านี้ประธานของบริษัทได้สนทนากับผมถึงแผนการโฆษณาของผมเมื่อปีที่แล้วและตามธรรมดาของประธานทั้งหลายเขาถามผมว่าผมสามารถจะขายสินค้าของบริษัทได้มากน้อยกว่าปีก่อนอย่างไรบ้าง เป็นธรรมดาอยู่เองที่ผมจำจะต้องติดต่อกับท่านเพื่อช่วยเหลือผมในการตอบให้เขารู้วงเล็บเปิดเป็นข้อความที่ภัยร้มากผมจึงจำเป็นจะต้องติดต่อกับท่านเพื่อช่วยเหลือผมในการตอบให้เขารู้เจ้าคนใหญ่คนโตผู้นี้ของบริษัทในนครนิวยอร์กพูดอย่างเปิดอกและแสดงความนับถือด้วยสุดจริตใจต่อความสาคัญของพ่อค้าในอริโซนาที่ขายสินค้าของบริษัทยอนแมนวิลโปรดสังเกตว่า เคนไดไม่ยอมเสียเวลาพูดถึงความสำคัญของบริษัทนี้แทนจะเช่นนั้นเขากลับยกย่องความสามารถของอีกฝ่ายหนึ่งให้เกิดความรู้สึกในทันทีว่าเขาจะต้องพึ่งพาอาศัยอย่างไรบ้างเคนไดยอมรับตรงๆว่าเขาไม่สามารถทำรายงานเสมอประธานบริษัทยอนแมนวิลได้โดยปราศจากความช่วยเหลือของพ่อค้าเป็นธรรมดาอยู่เองที่พ่อค้าในอริโซนาในฐานะมนุษย์คนหนึ่งจะต้องชอบคาพูดชนิดนี้วงเล็บปิด สิ่งที่ผมอยากให้ท่านทำก็คือโปรดแจ้งแก่ผมด้วยการกรอกข้อความลงไปในเพย์สเียบัตรที่สอดมานี้จากการอาศัยแบบโฆษณาติดต่อทางเพย์สเนียโดยตรงกับบุคคลต่างๆได้ช่วยให้ท่านได้งานสร้างหลังคาและเปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นจำนวนเท่าใดและโปรดแจ้งแก่ผมตัวเลขที่ใกล้ชิดที่สุดเท่าที่ท่านจะสามารถว่ารวมเป็นเงินจำนวนประมาณสักกี่เหรียญและกี่เซนเมื่อเปิด โดยถือเอาราคาของงานทั้งหมดที่ได้ทำไปแล้ววงเล็บปิดถ้าท่านสามารถปฏิบัติได้เช่นนี้ผมจะมีความยินดีอย่างยิ่งและขอบคุณในความการุณาของท่านที่จะแจ้งให้ผมได้ความรู้สุจริตเคนอารดผู้จัดการแผนกส่งเสริมการจำหน่ายวงเล็บเปิดโปรโดสังเกตว่าในตอนท้ายเขาใช้คำว่าผมด้วยเสียงแผ่วและใช้คาว่าท่านด้วยเสียงตะโกนดังลั่นสังเกตด้วยว่า เขาพูดประจบเด้วยภาษาภาเราะอย่างไรมีความยินดีอย่างยิ่งขอบคุณความกรุณาของท่านวงเล็บปิดเป็นจดหมายแบบพื้นๆจริงไหมท่านแต่บรรดาผลอันมหาศจารร์ในการขอร้องอีกฝ่ายหนึ่งให้ช่วยเหลือในสิ่งเล็กๆเน้น้อยโดยสามารถทําให้เขาเกิดความรู้สึกเป็นคนสําคัญจิ ต, ตวิทยานี้จะปรากฏผลอย่างแน่นอนโดยไม่จําเป็นที่ท่านจะขายกระเบื้องมุงหลังคาชนิดเอสเบตตอสหรือท่านต้องเที่ยวไปในทวีปยุโรปด้วยรถฟอร์ด ขอแสดงตัวอย่างประกอบคำพูดนี้ครั้งหนึ่งโฮเมอร์ครอยและข้าพเจ้าหลงทางขณะนั่งรถยนต์นั่งเที่ยวกันในประเทศฝรั่งเศสเราหยุดรถยนต์แบบเก่าของเราและถามชาวนากลุ่มหนึ่งว่าจากที่นี่เราจะไปยังเมืองขนาดใหญ่ถัดจากเมืองนี้โดยทางไหนคำถามนี้ได้ปรากฏผลขึ้นอย่างรวดเร็วมากชาวหน้าเหล่านี้ผู้ซึ่งสวมเกือกไม้เห็นชาวอเมริกันทุกคนเป็นเศรษฐีไปหมด รถยนต์เป็นสิ่งหายากในถินั้นหายากอย่างที่สุดทีเดียวเขาได้พบชาวอเมริกันท่องเที่ยวโดยรถยนต์เขาคงจะเห็นว่าเราเป็นมหาเศรษฐีหรือเป็นเทือกเถวเหล่ากอของเฮนรีฟอร์ดแต่เรากลับไม่รู้จักทางซึ่งเขารู้ดีไปกว่าเราเสียอีก เรามีเงินมากกว่าเขาก็จริงแต่เราต้องมาพูดกับเขาด้วยถือหมวกในมือเป็นเชิงคารวะเพื่อขอความช่วยเหลือให้เขาบอกทางไปยังเมืองถัดจากเมืองนี้ทางนี้นุนให้เขาเหล่านั้นเกิดความรู้สึกเป็นคนสำคัญเขาต่างจริงกันพูดชายคนหนึ่งตื่นเต้นในโอกาสอันหายากนี้ร้องบอกให้คนอื่นเงียบเสียงเขาอยากจะเอาหน้าในการชี้ทางให้เราแต่ผู้เดียว ท่านจงลองใช้วิธีนี้ดูบ้างก็แล้วกันถ้าหากว่าท่านเข้าไปในเมืองซึ่งท่านไม่รู้จักถนนหนทางจงถามผู้ที่ด้อยกว่าท่านทั้งในทางฐานะและการสังคมผมอยากจะให้คุณกรุณาช่วยผมให้พ้นจากความลําบากยุ่งยากสักหน่อยคุณโปรโดบอกผมได้ไหมว่าที่นั่นที่โน่นไปทางไหนเบนยามินแฟรงคลินใช้เทคนิคนี้เปลี่ยนศัตรูที่ร่ารานเขาให้กลายเป็นมิตรรักจนตลอดชีวิตแฟรงคลินตอนนั้นยังอยู่ในวัยหนุ่ม ใช้เงินที่เก็บออมมาของเขาลงทุนในการตั้งโรงพิมพ์เล็กๆโรงหนึ่งแฟรงกลินวิ่งเต้นจนได้รับการเลือกเป็นเลขานุ ก, การของสภาเมืองฟิลาเดลเฟียจากตำแหน่งนี้เองเขาได้งานของรัฐการมาพิมพ์ที่โรงพิมพ์ของเขาซึ่งเขามีกำไรงามมากเป็นธรรมดาอยู่เองที่เขาอยากจะให้งานนี้ยั่งยืนอยู่ตลอดไปแต่แล้วเกิดมีเงาคุกคามความยั่งยืนนี้ปรากฏขึ้น ชายผู้หนึ่งซึ่งเป็นคนรวยที่สุดและเก่งกล้าสามารถที่สุดในสภาเมืองเกิดรู้สึกเกลียดชังแฟรงกลินอย่างเข้ากระดูกดำเขาไม่เพียงแต่เกลียดแฟรงกลินเฉยๆหากประนามแฟรงกลินในการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งหนึ่งเสียด้วยซ้ำนับว่าเป็นอันตรายแก่แฟรงกลินและเป็นอันตรายอย่างมากทีเดียวด้วยเหตุนี้เองแฟรงกลินจึงตกลงใจที่จะทําให้ชายผู้นี้ชอบเขาแต่จะทําอย่างไรดีนั่นเป็นปัญหาด้วยการประจบประแจงศัตรูคนนี้หรือ ไม่ได้จะเป็นการยุให้ชายผู้นี้เกิดความสงสัยมากขึ้นและอาจจะดูถูกดูแคลนเขาได้แฟรงกลินเป็นคนฉลาดและมีสติปัญญาล้ำเลิศฉะนั้นจึงไม่ยอมทำในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งมองเห็นทนโท่เขาจึงทำในสิ่งตรงข้ามเขาขอร้องให้ศัตรูผู้นี้ช่วยเหลือเขาบางอย่างแฟรงกลินไม่ได้ขอยืมเงินสิบเหรียญไม่ใช่ไม่ใช่เขาขอความช่วยเหลือซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งยินดี ความช่วยเหลือซึ่งบันดาลให้ใจอันเต็มไปด้วยทิฐิของอีกฝ่ายหนึ่งอ่อนลงความช่วยเหลือซึ่งแสดงให้เห็นความนับถือความช่วยเหลือซึ่งรัคนเจือปนอยู่ด้วยอาการยกย่องของแฟรงกลินในวิชาความรู้และความก้าวหน้าของเขาต่อไปนี้คือเรื่องต่อจากที่เล่าไว้แล้วซึ่งมาจากคำบรรยายของแฟรงกลินเอง ข้าพเจ้ารู้ว่าเรามีห้องสมุดซึ่งประกอบด้วยหนังสือดีที่หายากอยู่เล่มหนึ่งข้าพเจ้าจึงเขียนจดหมายถึงเขาแสดงความประสงค์ว่าอยากอ่านหนังสือเล่มนั้นเหลือเกินและขอร้องเขาให้ช่วยเหลือข้าพเจ้าได้มีโอกาสยืมมันสักสองสามวันเขาส่งมาให้ข้าพเจ้าทันทีและข้าพเจ้าส่งคืนภายในหนึ่งสัปดาห์พร้อมด้วยจดหมายอีกฉบับหนึ่งแสดงความขอบคุณอย่างแข็งขันต่อความเอื้อเฟื้ออันนี้ครั้นเมื่อเราพบกันในครั้งต่อมาที่สภาเมืองเขาพูดกับข้าพเจ้า วงเล็บเปิดซึ่งเขาไม่เคยปฏิบัติเช่นนี้มาก่อนวงเล็บปิดด้วยความสุภาพอ่อนโยนอย่างยิ่งและต่อมาภายหลังเขาแสดงกิริยาท่าทีว่ายินดีช่วยเหลือข้าพเจ้าในทุกๆ ก, กรณีเหตุนี้เองเราจึงกลายเป็นเพื่อนรักกันอย่างแน่นสนิทและมิตรภาพของเราดำรงอยู่ด้วยดีจนกระทั่งเขาตายจากไปเบนแฟรงกลิน Green, ตายไปแล้วเป็นเวลาหนึ่งห้าสิปีแต่จิตวิทยาที่เขานามาใช้ จิตวิทยาผูกมิตรด้วยการขอร้องอีกฝ่ายหนึ่งให้ช่วยเหลือเขาจะคงดำรงอยู่ชั่วการนานเป็นต้นว่าได้ทดลองใช้เป็นผลสำเร็จอย่างประหลาดโดยนักศึกษาผู้หนึ่งของข้าพเจ้าอันเบิร์ดบีเอ็มเซลนับเป็นเวลาหลายปีมาแล้วมิสเตอร์เอ็มเซลผู้เป็นคนเดินตลาดขายเครื่องประปาและเครื่องเกี่ยวกับการบัดกรีได้พยายามติดต่อกับเจ้าของร้านทำกิจการนี้คนหนึ่งในบรุกลิน กิจการของนายคนนี้นับว่าใหญ่มากและชื่อเสียงดีเป็นพิเศษแต่การติดต่อของเอ็มเซลมิได้ประสบผลอย่างใดเลยตั้งแต่แรกเริ่มมาแล้วเจ้าของกิจการนี้เป็นมนุษย์จำพวกหนึ่งซึ่งผิดกับคนทั่วไปโดยชอบทำใหญ่ด้วยการแสดงกิริยาอหังหยาบคายและพูดสามหาวเขานั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานพร้อมกับมีซิก้าตัวใหญ่คาบห้อยอยู่ที่ทางมุมปากข้างหนึ่ง และทุกครั้งที่เอ็มเซลเปิดประตูเข้ามาเขาพูดเสียงเหมือนคำรามวันนี้ไม่ต้องการอะไรอย่าให้เวลาของผมและคุณต้องเปลืองไปโดยเปล่าประโยชน์ไปได้ครั้นแล้วมาวันหนึ่งมิสเตอร์เอ็มเซลใช้เทคนิคใหม่เทคนิคซึ่งทำให้บัญชีการค้าระหว่างบริษัทของเขาและนายคนนี้เปิดออกกว้างกลายเป็นเพื่อนกันและได้รับคำสั่งซื้อสิ่งของจากเขามากๆเสมอ บริษัทของเอ็มเซลกำลังเจรจาซื้อร้านเพื่อเปิดเป็นสาขาใหม่ในตำบลควีน Queen, ในเกาะลองไอแลนด์เป็นตำบลซึ่งเจ้าของร้านติดตั้งเครื่องประปารู้จักดีและเป็นที่ซึ่งเขาติดต่อกับลูกค้าอยู่มากรายเป็นประจำการไปหาครั้งนี้มิสเตอร์เซลพูดเดี๋ยวก่อนครับมิสเตอร์ซีวันนี้ผมไม่ได้มาเสนอขายอะไรให้คุณรอกผมอยากขอร้องคุณให้ช่วยเหลือผมสักอย่างถ้าคุณจะกรุณาคุณให้เวลาผมสักหนึ่งนาทีจะได้ไหม ฮมเอาสิเขาพูดป้ากระดกซิ ก, ก้าจากห้อยต่ำให้สูงขึ้นคุณมีอะไรนะเร็วๆ เ, เข้าบริษัทของผมกำลังคิดจะเปิดร้านสาขาที่ตำบลควีนมิสเตอร์เอ็มเซลพูดคุณรู้ความเป็นไปของตำบล น, นี้ดีเหมือนคนอยู่ที่นั่นเหตุนี้เองผมจึงได้มาหาคุณเพื่อขอความเห็นของคุณว่าเป็นอย่างไรบ้างมันจะเหมาะไหมหรือไม่เหมาะมันเป็นสภาพการใหม่ นับเป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่เจ้าของกิจการเครื่องประปาผู้นี้ทำตนให้เกิดความรู้สึกเป็นคนสำคัญด้วยการแยกเกี่ยวคำรามคนเดินตลาดและไล่ออกจากห้องแต่คนเดินตลาดผู้นี้วิงบอลขอคาแนะนาจากเขาคนเดินตลาดซึ่งทำงานอยู่กับบริษัทขนาดใหญ่ต้องการความเห็นของเขาว่าเหมาะสมหรือไม่ที่จะเปิดสาขาที่นั่นเชิญ น, นั่งเขาพูดเลื่อนเก้าอี้มาให้ ตลอดเวลาหนึ่งชั่วโมงต่อจากนั้นเขาคุยอย่างยาวยืดถึงประโยชน์อันดีงามเป็นพิเศษของตลาดการค้าเครื่องประปาในตำบลควีนเขาไม่เพียงแต่เห็นดีเห็นชอบในสถานที่ซึ่งจะเปิดร้านหากเขายังแสดงความรอบรู้ของเขาอย่างเต็มที่เกี่ยวกับการที่บริษัทจะซื้อทรัพย์สินการมีสินค้าชนิดไหนและการเปิดทาการค้าอย่างไรเขาเกิดความรู้สึกเป็นคนสาคัญ ด้วยการแนะนําบริษัทขายส่งเครื่องประปาถึงวิธีที่จะปฏิบัติธุรกิจหลังจากนั้นเขาคุยเรื่องส่วนตัวของเขาเขาสนิทสนมกับมิสเตอร์เอ็มเซลอย่างรวดรเร็วและถึงกับเล่าเรื่องความยุ่งยากทางบ้านและเกิดประหองระแหงกับเมียให้ฟังเมื่อผมลากลับเย็นวันนั้นมิสเตอร์เอ็มเซลกล่าวในกระเป๋าของผมไม่เพียงแต่มีคําสั่งซื้อเครื่องอุปกรณ์ปลาปลาจำนวนใหญ่หากผมได้ลงรากฐานอย่างแน่นแฟนในการค้าขายติดต่อกับเขา เวลานี้ผมเล่นกอล์ฟกับเขาผู้นี้ผู้ซึ่งเคยขู่คำรามและเห่าผมการเปลี่ยนแปลงกิริยาท่าทีต่อผมทั้งนี้มาจากผมขอร้องให้เขาช่วยเหลือผมในสิ่งเล็กๆน้อยๆซึ่งทำให้เขาเกิดความรู้สึกเป็นคนสำคัญนั่นเองเรามาพิจารณาจดหมายของเคนไดอีกฉบับหนึ่งกันดีกว่าเราจงสังเกตอีกครั้งหนึ่งว่าเขาได้ใช้หลั ก, กจิตวิทยาโปรดช่วยเหลือผมอย่างไรบ้างเมื่อไม่กี่ปีมานี้มิสเตอร์ได ได้พบกับความเป็นทุกข์เป็นร้อนเนื่องจากไม่สามารถที่จะให้นักธุรกิจผู้รับเหมาและสถาปนิกตอบจดหมายขอรู้รายงานบางอย่างเมื่อครั้งนั้นเขามักจะได้รับคำตอบจากสถาปนิกและวิศวกรเกินไปกว่า 1% นเอร์ซนานๆนนนนสักนหนึ่งถ้าได้รับถึง 2% เซเขาถือว่าดีมากและถ้าถึงสเปอร์เซก็ถือว่าดีเยี่ยมและถ้าถึงสเอร์ซอ๋อถ้าถึงสเอร์ซเขาจะยอมโค้งคานับในฐานะสิ่งมหัศจรรย์ทีเดียว แต่จดหมายฉบับนี้นำผลมาสู่ถึง 50% มากกว่าอัตรามหาสัจจ ร, รย์ถึง4เท่าตัวและคำตอบเหล่านั้นยืดยาวตั้งแต่ 2-3 หน้ากระดาษเป็นจดหมายซึ่งมีการแนะนำและร่วมมือฉันมิดนี่ไงละท่านจดหมายฉบับดังกล่าวท่านจะสังเกตเห็นว่าคิตวิทยาที่นำมาใช้และสํานวนในบางตอนจดหมายฉบับนี้คงอยู่ในลักษณะเดียวกับฉบับแรก ขณะอ่านจดหมายฉบับนี้โปรดอ่านอย่างช้าๆและด้วยความพินิจและจงพยายามวิเคราะห์ถึงความรู้สึกของผู้รับท่านจงค้นคว้าหาความจริงว่าทำไมมันจึงบันดาลผลมากกว่าอัตรา ม, มหาสัจจรย์ถึงสี่เท่าตัวยอนเมนวิลเลขที่ยี่สิสองถนนที่4ี่สิบด้านตะวันออกนครนิวยอร์กมิสเตอร์ยอนโดหกหนึ่งเจ็ดถนนโดเมืองโดวิลรัฐนิวยอร์กมิสเตอร์โด Do, ที่รัก ผมสงสัยว่าท่านพอจะช่วยผมให้พ้นจากความลำบากยุ่งยากอเล็กน้อยได้บ้างหรือไม่เราปีหนึ่งมาแล้วผมได้เสนอบริษัทว่าสิ่งที่สถาปนิกต้องการอย่างที่สุดก็คือแคตตาล็อกของยอนเมนวิลลซึ่งแจ้งรายการอย่างละเอียดเกี่ยวกับเครื่องก่อสร้างและเครื่องอุปกรณ์ในการซ่อมแซมและดัดแปลงรูปป้น้นแคตตาล็อกที่สอดมานี้คือผลแห่งการเสนอของผมนับว่าเป็นเล่มแรกสาหรับแคตตาล็อกประเภทนี้ แต่เนื่องจากเวลานี้เรายังคงมีแคตตาล็อกดังกล่าวเหลืออยู่อีกเล็กน้อยและเมื่อผมแจ้งให้ประธานารับรู้เขาบอกว่าวงเล็บเปิดตามธรรมชาติของประธานทั้งหลายวงเล็บปิดเขาไม่ขัดข้องที่จะจัดพิมพ์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยมีข้อแม้ว่าผมจะจัดหาหลักฐานมาพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจว่าแคตตาล็อกนี้อำนวยประโยชน์ได้จริงตามความมุ่งหมายทุกประการเป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องติดต่อกับท่าน เพื่อขอความช่วยเหลือและด้วยเหตุนี้เองผมจึงถือโอกาสขอร้องท่านและสถาปนิกอื่นๆอีก29คนตามส่วนต่างๆของประเทศเพื่อให้เป็นลูกขุนตัดสินชี้ขาด เพื่อความสะดวกของท่านผมได้พิมพ์คำถามง่ายๆบางประโยคไว้ที่ด้านหลังจดหมายฉบับนี้ด้วยแล้วและผมจะถือว่าเป็นความเอื้อเฟื้อพิเศษทางส่วนตัวถ้าท่านจะกรุณาตรวจ ด, ดูและกรอกคำตอบลงไปซึ่งท่านอาจจะเพิ่มเติมความคิดเห็นของท่านอย่างไรบ้างสุดแล้วแต่ความพอใจของท่านแล้วโปรดพับจดหมายฉบับนี้ใส่ในซองปิดสแตมป์เรียบร้อยซึ่งได้สอดมาด้วยแล้วไม่จําเป็นต้องกล่าวท่านย่อมรู้ดีว่า การขอร้องนี้ไม่ได้ผูกมัดท่านอย่างใดเลยและบัดนี้ผมขอให้ท่านเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดว่าแคตตลกนี้จะเลิกพิมพ์หรือพิมพ์ขึ้นใหม่อีกด้วยการแก้ไขให้ดีขึ้นโดยอาศัยความรอบรู้เชี่ยวชาญและคำแนะนำของท่านผลจะปรากฏขึ้นในรูปใดก็ตามท่านจงนอนใจเถิดว่าผมจะยินดีอย่างยิ่งในความร่วมมือของท่านขอบคุณด้วยความสุจริตเคนอาได ผู้จัดการแผนกส่งเสริมการจำหน่ายขอบอกกล่าวอีกสักคำสองคำข้าพเจ้ารู้จากความเจนจัดในชีวิตว่าผู้ที่ได้อ่านจดหมายฉบับนี้บางท่านจะพยายามเขียนจดหมายด้วยการใช้จิตวิทยาอย่างเดียวกันแต่ยังมีสิ่งขาดตกบกพร่องอยู่กล่าวคือ พยายามเขียนด้วยการยกย่องสรรเสริญอีกฝ่ายหนึ่งเสียเลิอดลอยโดยขาดความจริงใจขาดความรู้สึกนับถืออันทแท่งแท้แต่เต็มอยู่ด้วยความประจบสอพลอและความไม่สุจริตใจเทคนิคของเขาเหล่านี้จะไม่บราลผลอย่างใดเลย โปรดจำไว้ว่าเราทั้งหลายต่างกระหายที่จะได้รับความยกย่องนับถือและความเป็นคนสำคัญซึ่งเราจะยินดีทำเกือบทุกอย่างเพื่อได้สิ่งนี้แต่ไม่มีใครต้องการความสุจริตใจไม่มีใครต้องการคำพูดประจบสอพลอข้าพเจ้าขอย้ำหลักการทั้งหลายที่สอนไว้ในหนังสือเล่มนี้จะปฏิบัติได้ผลก็ต่อเมื่อนำออกมาใช้ด้วยน้ำใสใจจริงข้าพเจ้ามิได้สนับสนุนให้ปฏิบัติด้วยการใช้เล่ห์เหลี่ยมอย่างใดทั้งสิ้น สิ่งที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ล้วนแล้วแต่วิธีที่จะนำท่านไปสู่วิถีชีวิตในแบบใหม่